ท่านสาธาชน บ, บริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดกันเรื่องเนคคามะบารมีคาม่าเนคคามะบารมีนี่เป็นบารมีขบุคคลผู้บวชนั้นท่านผู้ฟังที่มีความรู้สึกว่าท่านเองบวชบ้างไม่ได้บวชบ้าง คือที่ฟังกันมานี้มีพระนั่งฟังบ้างมีสมณเ น, นั่งฟังบ้างมีญาติโยมพุทธบริษัทนั่งฟังบ้างยิ่ต่อมาสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะคิดว่าวันนี้เขาพูดเรื่องบวชกันเราไม่บวชก็คงจะไม่มีส่วนอันนี้ขอมันดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อนทราบขอมดาเพื่อนพิสุทธิ์เทวเนทั้งหลายก็ทราบด้วย คำว่าบวชหรือว่าคำว่าเป็นพระบวชนี้เขาหมายต้งเป็นเนรหรือเป็นพระถ้าเราบวชกันแต่กายแล้วก็มีทางไปอบายภูมิแน่นอนผมพูดแบบนี้เนะี่ยคนเป็นโรคสมรศาส์เขาจดหมายด่าผมมาสามฉบับฉบับละหลายหน้าก็าบอกอะไรก็นรกอะไรก็นรก ระวังเรือสีจะลงนรกเองผมก็ข อ, อยอมยอมรับว่าผมเนี่ยลงนรกมาเยอะผมจำนรกได้ท้มันเล่าสู่กันฟังผมมีความรู้สึกว่านรกเกือบทุกขุมผมไปมาหมดไอ้ที่ไปไม่ใช่หมายความไปเที่ยวไปอยู่ไอาที่ว่าผมก็เป็นคนมีวาสนาบารมีดีไม่น้อยได้เคยอยู่ในนรกมากันแล้ว เคยเป็นเปรกคนแล้วเคยเป็นสุกกายคนแล้วเคยเป็นสัตติฉันคนแล้วแถมเป็นคนระยำระยำผมก็เป็นเป็นจนเข็ดแล้วก็อยู่จนเข็ดเมื่อผมเข็ดแล้วก็เลยไม่อยากให้พวกท่านลงนรกด้วยอย่าไปเลยนะครับมาบวช กายและก็บวดใจกันด้วยถ้าบวชแต่กายอบอายภูมิกินแน่ความเป็นพระท้าไม่เหลือเพียงแก่ละเมิดอาหารเรปิโกเดสัญญากินอาหารไม่พิจารณาก่อนเป็นุลปริโกเจ้าอมผ้าหวังความสวยสดงดงามกินอยู่กินยาหวังความสวยสดงงามอันนี้เจ้งไปแน่ไม่รอดก็อยอมรับว่าลดนร ก, กันแน่ ถ้าหาว่าท่านโบยแต่กายก็ไม่โบยเลยดีกว่ามันลงลงลงทนซื้อนรกไม่มีประโยชน์เลยก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทที่จะมีศินบ้างบกพร่องสินบ้างไม่ได้เพราะท่านไม่โกหกโมติไข่ท่านไม่เคยบอกว่าท่านเป็นพระท่านบอกว่าท่านเป็นไครวัดท่า น, นแสดงตัวท่านดท่านดีมีความซื่อสัตย์หากว่านักบวช ทำตนไม่ครบถ้วนคือไม่รู้ความรู้สึกก็เป็นนักบวชมีเยอะเนี่ยมีเยอะครับอย่างพระที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาว่ากันเขารืก้กันกินเงินกินทองกินของจำบานธรรมมาค้า ข, า, ขายขายโน่นขายนี่อิจฉาดิสยามีตำแหน่งใหญ่ๆตำแหน่งสงน์ที่แล้วแล้วมานานมาแล้วหลายร้อยปี อย่างนี้สภาพไปเป็นพระลงนรกกันเป็นแถวเวลานี้ทั้งพระทั้งเลนท่าบาสกุมาสศิกกาเจอกพระผู้ทรงคนพิเศษในสมัยที่เป็นคราอเป็นเป็นมนุษย์หน้าตาจิ้มเลี่ยเพื่มพราม่ได้เบียบเรียบร้อยดีสงบสงเยงียมหน้าไหวนับบูชาดันไปอยู่อเวจีมหานรกแล้วก็ทุกคนท่ายดีและต้องโบทใจ ใจแล้วรักษาบทอันดับแรกกระโบดตามสินก่อนในข้อสรุปของศินว่าวันวานนี้นี่เราก็มาว่าทั้งเนค ข, ขมะบารมีใหญ่เนค ข, ขมะบารมีใหญ่ต้องมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติคืนหนึ่งมีความรู้สึกว่าต้อมีความรู้สึกว่าเราต้องการที่สงัด ให้ที่สงบสงัดเราต้องการต้องการความสงัดอยู่เป็นปกติหมายความว่าจะอยู่ในป่าก็สงัดจะอยู่ในบ้านก็สงัดว่าอะไรคือต้องการวิเวรกนี่อารมณ์อารมณ์หนึ่งนะนี่ยังไม่เข้าเคเ่ะ แา่บอกว่าถ้าจะเห็นดีจริงๆก็หนึ่งมีความรู้สึกว่าร่างกายของคนสัตว์และวัตถุแท้ทั้งวัตถุธาตุที่เขาปรุงแต่งมาเป็นรูปร่างมันเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกต้องเป็นอย่างนี้เป็นปกตินะไม่ใช่ให้ใครก็แต่งตัว ส, สวยๆมาแม่ลูกสาวใครนะอย่างนี้แต่งงานด้วยก็ดี นี่ไม่เที่ยงนะมันเลยเที่ยงไปแล้วกลายเป็นบ่ายแล้วอาจจะถึงเย็นหรค่ำก็ได้ <c oughs> ให้มีความรู้สึกเป็นปกติว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ร่างของวัตถุธาตุต่างๆที่เขาทาขึ้นไม่เที่ยงมีเสื่อมไม่ปกติแล้วก็สลายตัวเป็นอันที่สดุดแล้วก็ข้อที่สอง <c oughs> ท่านบอกว่าให้มีความรู้สึกว่า กามคุณมันมีความเร่าร้อเหมือนก็หลุมเพลิงที่ขุดล่อไว้ถ้าเราไปตกหลุงกามคุณหรือะไรก็มันเราตกหลุมเพลิงมันร้อนรุวมกลุ่มใจลองคิดดูถ้าท่านยังไม่เคยมีคนรักที่พูดนี่หม่ยถึงหมายทั้งทั้งผู้ชายผู้หญิงมันเหมือนกันหมดถ้ายังไม่เคยมีคนรัก ใจเป็นสุขใครเขาจะไปทางไหนมาทางไหนเขาช่างฉันไม่เกี่ยวเริ่มมีความรักเขานิดเดียวเขานี่มาดีแล้วมาดียังไงคนที่เรารักดีไม่ดีเขาเดินกับพี่กับ น, น้องเขาชกโมโหโอ๊บแม่นี่มันคบชู้สู่ชายคบชู้ชู้สาวนี่ความรักเกิดขึ้นมันยวงแบบนี้เป็นเพลิงเล่าร้อน แต่นนี้แต่งงานกันดูคนแต่งงานที่ก็มีความสุขจริงไหมต้องเพิ่มกำลังงานทรมาหากินเลี้ยงลกูกเลี้ยงเต้าเอาอกเอาใจกันคู่แต่งงานบาง ร, บรายสเสริญบารมีกันทุกวันเช้าด่าเย็นด่ามันสุขก็มันทุกข์ผมจะไม่พูดมากแค่พูดเป็นตัวอย่าง รวมความวัดนักบวชจริงๆนี่คำอมาบารมีนหนึ่งต้องมีความรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง 2. รู้สึกว่ากรรมอาคุณคือความรักระหว่างเพศถ้าความหลงไหลไฟฝันในรูปเสียงที่นตดสัมผัสมันหลมเพลิงมันแล้ตกเป็นหลุมไฟที่แรงๆมันร้อยขนาดไหนก็คิดเอาสาอารมณ์ใจน้อมไปในวิเวกเสมอวิเวกคือสงัด ต้องการหนึ่งสงัดกายอยู่ในป่าชา้าและป่าชัด <c oughs> หรือบ้านที่ว่างปเปล่าแม้ว่าบางทีว่าโอกาสที่หาทางสงัดกายไม่ได้เพราะคนต้องอยู่กับคนคนต้องอาศัยคนเอาพระมาทาคนก็ต้องอยู่กับคนเอาพระอาพร ะ, พระมาจากคนก็ต้องอาศัยคนในเมื่อเราอาศัยคนแล้วก็สงดัด เขาจะเอะอะโวยวายเอะม่าถึงกับวกเราร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็เฉยยอมรับความเป็นจริงคิดว่าขึ้นชื่อว่ามีร่างกายอันไม่เที่ยงนี้มันมุ่นหมายอย่างนี้การตกก็อยู่ในกลุ่มของหลงหลงเพลิงมันมีความเร้าร้อนอย่างนี้เวลานี้เราเป็นพระเราไม่เกี่ยวค่อยอดใจมันไวควาจริงมันระ ง, งับมันตัดทีเดียวไม่ขาดหรอกค่อยๆระ ง, งับใจ มันก็พุ่งพลั่นเราจะแพ้มันมากชนะมันน้อยก็ช่างให้มีโอกาสชนะบ้างก็แล้วกันตัวความว่าอยู่ในปา่าเราก็สงัดสงัดท่งกายสงบแท่งใจถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเราก็สงัดสงัดในอารมณ์อารมณ์ของเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับการทรงตัวคือของร่างกายให้มร่างกายสวยร่างกายดีอารมณ์ของเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับกามากรอารมณ์ก็สงัดมีจิตเป็นสุข แล้วก็สี่ท่านบอกว่าให้มีสติปัฏฐานสี่อารมณ์ของเราต้องทรงสติปัฏฐานสี่เป็นปกติสำหรับสติปัฏฐานสี่นี้ไม่ยากพิจารณากายว่ากายของเรามันดีหรือมันเลวเห็นอากายอากายมีอาการสาบสองประกอบปฏิทัศสี่เต็มไปความสขปรกโสโครก แต่ทุกวันสุดโทมทุกวันได้คืไปหาความตายทุกวันหิวทุกวันหนาวทุกวันร้อนทุกวันปวดจาระปัสสาวะทุกวันมีการกระทบกระัทงอารมณ์ที่ไม่ดีทุกวันอารมณความว่ากายไม่ดีเวทนาขึ้นเชี่ยวเวทนาที่เรารับไ้คําว่าเวทนาในการเสมยอารมณ์อารมณ์เป็นสุขบ้างอารมณ์เป็นทุกข์บ้างอารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง อารมณ์มีสามอย่างได้ความจริงๆเริงเราสบวิอารมณ์ที่เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขหายากจริงๆมีแต่อารมณ์ทุกข์เช้าขึ้นมาหิวข้าวเช้าขึ้นมาปวดต้องฉี่โศ ต, ต้องเดี่ยวเช้าขึ้นมากระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเช้าขึ้นมาต้องกินตมาห้กินมีแต่ความลาบากเช้าขึ้นมาต้องคิดน่อนคิดหนี่วันนี้มีกินโผุนี้จะกินอะไร นี่ก็รวมความว่าอารมณ์ที่เรารับสัมผัสสุขจริงๆหาไม่ได้เลยมีแต่วความมุ่นวายคืออารมณ์ของความทุกข์ให้เขาไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นคนเปนปุถุชนจะไม่พบมันเลยจะพบตัวยืนคือตัวอารมณ์ของความทุกข์นี่มันไม่ดีตอนนี้นี่นักสติวิธานที่สองเนี่ยนั่นมาว่าถึงเรื่องจิต ก็เข้าไประมัดระวังจิตไอ้จิตนั้นมีกิเลสต้องระมัดระวังจิตว่าหนึ่งเราจะไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นจะไม่ยกตนข่มท่านและก็ไม่มีความประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราจะสร้างความดีมันจะตายก็ตายอย่างคนตา ย, ยาคนดีตายเมื่อเป็นคนก็เป็นคนดีเมื่อตายเป็นผีก็เป็นผีดี ผีดีคือเป็นผีเท ว, วดาผีพรหมผีนิพพานอันนี้เราทำยังไงการรักษากาลังใจกำลังข้งจิตก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงทุกอย่างของร่างกายและของโลกว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทั้งโลกไม่มีอะไรเที่ยงจะคบหาสมาคมกับใครจะเอาดีจริงๆนั้นไม่มี เพราะว่าลิงหลอกเจ้าลิงหลอกเจ้าดีกว่าไอ้คนหลอกคนคนหลอกคนมาร้ายกายกว่าลิงหลอกเจ้าลิงมันต้องการอะไรไม่มากนอกจากผลไม้แต่ไอ้คนไม่กินไม่เลือกไม่มีคําาพอจิตเร็วๆอย่างนี้ไม่มีสำหรับเราจิตเราจะทรงไว้อย่างง่ายๆคือทรงพมีหารสีไ่ไปก่อนเมตตาความรัก รักคนแลสัตว์ทั้งหมดกรุนาความสงสารสงสายคนแลสัตว์ทั้งหมด้มทุตาไม่อิจฉาได้สิยาใครใครได้ดีพอดีดีด้วยผุ้เบิกขาวางเฉยอมนตรายจะเข้ามาถึงและคนที่ถูกกมีการเพียงพรมเราไม่ซ้ำเติมทำใจเป็นสุขนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่มาว่าที่จิก็เลยว่าทั้งทำไปเลย ก็รงความวิจิตเราตั้งไว้ในรมปฏิปฐานสี่คือกายเห็นว่ากายไม่เป็นเรื่องเวทนาที่อาศัยกายเป็นเหตุไม่เป็นเรื่องจิตยังคบกายอยู่ก็ไม่เป็นเรื่องทำที่เปรียุรุไม่เป็นเรื่องต้องการทําดีนี่ขอย่อๆนะต่อไ ป, บบอปอท่านก็บอกว่าเนี่ยผมก็ปางพูดแล้วจะลืมข้อที่ห้าท่านบอกว่า สัมรวมในอินทรีย์หกอินทรีย์หกนี่มันไม่มีอะไรอินทรีย์หกก็มีจากขนสียังโซตินสี่อยางคันสี่อย่งชีวิตสี่อย่งสัมรวมในตาตาเย่นหลงในรูปที่ตาเห็นมองเห็นรูปปั๊บเข้าใจเข้าใ จ, จทันทีว่ารูปนี้ไม่ช้าพังซุดโซมทุกวันข้างในโศกปรก มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนี่โรคนรูปสัตว์นะรูปวัตถุก็มีแต่กเก่าลงไปค่ำค้าไม่ช้าก็ปังไม่หลงในรูปโสตะคือหูหูไม่หลงในเสียงเสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปเสียงชมมีตอนเช้าในตอนบ่ายอาเป็นเสียงด่าก็ได้ฉะนั้นการด่าด้วยการชมก็าตามไม่สนใจ ขานะคือจมูกขานะวิญญาณจมูกก็ไม่ติดในกลิ่นไอ้กลิ่นนี้ผ่านจมูกก็เลยให้ไปมันไม่ได้สร้างความดีความชัว่วเกิเราชิวหาคือลิ้นอย่าตามใจลิ้นมากเกินไปถ้าตามใจลิ้นมากเกินไปนอนะินซีห้าไม่ใช่อินซีหกกินแล้วก็มันไม่อิมนี่รสดีขนาดไหนดีแล้วไม่ดีก็กินอิม อาหารที่ดีไม่ใช่ที่ต้องรดอร่อยเสมอไปต้องการเปรี้ยวเติมเปรี้ยวต้องการเค็มเติมเค็มต้องการขมเติมขมต้องการหวานเติมหวานเติมตามความพอใจได้คิดว่ากินเข้าไปไม่ช้าก็าตายกินเท่าไรร่างกายก็สุดสมแล้วกินเ่อเป็นการระงับทุกขเวทนาโช่วคราวไม่เป็นไรการกินสิ่ง คือไม่หลงในกายเกินไปอีวไอ้กายระยำระยำแบบเนี้ยมันสร้างความทุกข์ให้แกเราไม่มีอะไรดีเลยจะพูดมากไปนะพูดไปเยอะแล้วก็ลงความไม่หลงในรูปที่ตัวตายเห็นไม่หลงในเสียงที่หูได้ยินไม่หลงในกลิ่นที่จมูกกระทบไม่หลงในรสที่ที่ลิ้นสัมผัสไม่หลงในกายของเราและไม่หลงในกายของใครว่าดี แล้วก็ต่อไปในธรรมบารมีต้องทำอารมณ์ให้เป็นปกติคือว่าเอาจิตเข้าไปฝังไว้ในโพชฌงทั้งเจ็ดประการโพชฌงนี่เจ็ดประการนั้นมีอะไรบ้างโพชฌงคือองค์การตัดรู้หนึ่งสติสามโพชฌงมีสติเป็นปกติไม่ลืมสภาพความเป็นพระพระต้องปฏิบัติอย่างไร นักพรตต้องปฏิบัติยังไงอุมาโสมริกาต้องปฏิบัติยังไงไม่ลืมแม่แล้วก็ไม่ลืมที่จะผลักความชั่วดึงความดีเข้ามาสองธรรมะวิทยะใคร้ครัวนในธรรมวิมใจัยในธรรมธรรมะใดๆที่ใครให้เราก็เทียบเคียงความเป็นจริงเอาทั้งเหตุทั้งผลแต่ว่าของพระพุทธเจ้าจริงๆมีเหตุมีผลครบถ้วนสั่งสมไม่ได้ของความดี พ่อสอนให้ละความชั่วประพฤติความดีเอาถ้าฝืนกันอย่างแล้วก็ไม่เอาละให้ซส่วนเสริมความชั่วเนี่ยเราไม่เอาตายแล้วมีสภาพศูนย์ถ้าใครพูดอย่างนี้ยาครบเละถ้าสอนว่าตายแล้วสภาพศูนย์ก็ต้องสอนคนทุกคนไม่ต้องสร้างความดีสร้างความชั่วยังไงก็ได้ตายแล้วไม่ต้องไปเสมยผลกำโชั่วอันนี้ช่วยกันทําลายพระพุทธศาสนา สามวิริยะสามพุทชงต้องอดทนต่อู้อุปสรรคไม่ท้อถอยู้มันดะอุปสรรคใดๆจะเกิดขึ้นเอาชีวิตเขาแหลกปีติสามพุทชงสี่นะมีความเอิบ อ, อิ่มใจในการปฏิบัติความดีผมขอ ย, อ ย, อยอ่อๆห้าปัสสธิมีอารมณ์สงบจากนิวรณ์หเป็นดับแรกหลังจากนั้นก็จงสงบจากกิเลสทั้งหมด อกสมาธิตั้งใจมั่นให้ทรงตัวในได้ของความดีที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เจ็ดอุเบกขาอะไรจะมาทไหนก็ตามใช้ก็เฉยที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่อารมณ์ขนักปัจเจรนญธรรมะเขาต้องเป็นอย่างนี้ยังไม่หมดนี่เป็นเนตมะบารมีนะแล้วก็ข้อที่เจ็ดท่านบอกว่าอบรมด้วยดีในมรรคแปดประการ นความหมายความอารมณ์ในยอมรับนับถือในมักแปลกประการไม่ยึท่องจำในปฏิบัติเลยครับทำจิตให้เข้าถึงหนึ่งสมาธิมีความเห็นชอบยอมรับคำสอนพระเจ้าทุกอย่างทั้งธรรมในวินยัยสองสมาสังกปะสมาสังกปะนี่ดำริชอบติดใครควรไวเสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงละตรงไหน ให้ปฏิบัติเพื่องพูตรงไหนส่งเสริมตรงนั้นทำตามไม่ละสมมาวาจาพูดดีคือพูดจริงพูดเพราะแล้วก็พูดในเขารักเขารักกันรักไม่ใช่รักเป็นพ่อเป็นเะมียนะรักเป็นเพื่อนแล้วก็พูดแต่วาจาที่มีประโยชน์แล้วก็สมมากรรมตะการงานที่ทําไม่เป็นเวรไม่เป็นภัยกับใครทั้งหมด เป็นผลดีกับเราเป็นผลดีกับสังคมเป็นผลดีแก่โลกสมาชีวะเลี้ยงอาชีพชอบตามฐานะนี่พระเนี่ยต้องระวังนะเลี้ยงให้มันชอบจะเวทำมาค้าขายอะไรต่ออะไรจีปาทานสมาวายามะวายามพยายามชอบหมายความพยายามทำลายความชั่วก็พยายามสร้างความดีให้เกิดขึ้น สัมมาสติเป็นคนไม่ลืมสติเป็นสติสมบูร์แบบไม่เผลอสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นเป็นปกตินักเจริญรวงความว่านักทีท่จะเดินเจริญในขมับบ ร, รมีในขมับบ ร, รมีต้องทําอย่างนี้ขอทบทวนอีกอย่างหนึ่งมีความรู้สึกว่าสังขารคือร่างกายของเราร่างกายคนอื่นร่างกายของสัตว์ไม่เทียง จ่ำไม่ดีนะครับสองมีความรู้สึกว่าความรักในระหว่างเพ่คือกามคุณทั้งหมดมีสภาพมันหลมเพลงิงทุกคนดักเราไว้เราจะไม่โจนลงหลงเพลงิงมันจะเร่าร้อนมันจะตายสากําลังใจน้อมไปในวิเวกในที่วิเวกหรือใช้อารมณ์วิเวกที่เวกคือที่สงัดไม่มีเสียงหาไม่ได้ก็ใช้กําลังใจวเวกคือไม่ยอมมุดไหยกับใครเขา แล้วก็สี่อารมณ์ทรงเป็นสติปัฏฐานสี่ห้าซ้ำรวมคือรอมัดระวังในอีสีห้าแล้วก็หกหก่อะไรนะซ้ำรวมในโพธทงเจ็ดปฏิบัติพร้อมอบรมดีแล้วในโพธทโพธทงเจ็ดคือครบพ้นแล้วว่าแปด พอใจในมรรคปลายคือปฏิบัติอีกครบถ้วนอันนี้ตามที่กล่าวมาแล้วเป็นเนค้อมะบารมีใหญ่ถ้ากำลังใจของทุกคนทรงได้อย่างนี้ครบถ้วนท่านเรียกว่าพระอาหารหันต์เพงเข้าใจวันนี้นะพระอาหารหันต์ทรงอารมณ์อย่างนี้ผมขอย้อนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจำง่ายๆว่าอารมณ์้าฐานจริงๆคือหนึ่งมีความรู้สึ ก, กร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มีสภาพไม่เที่ยงสองเหงิกกรมาคุณบาปมีโทษมันก็หลุมเพลินที่ก็ดักราไว้ร้อนสามจิตใจน้อมไปในด้านของวิเวกสงัดพื่อไม่วนไ บ, บสี่ทรงเจริญกรรมฐานสี่เป็นปกติห้า สามลณีสีห้าเป็นปกติหกทรงพุททรงเจ็ดเป็นปกติแล้วก็เจ็ดทรงมักเปิดเป็นปกติอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของพระวาอารหันจามันนะครับผมเอามาจากไหนอันนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะผมไม่รู้ถ้าอย่างนี้กี่ยผมนี่ยเป็เเนะผมมู้วิเศษวิโสผมไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์วิเศษวิโสไม่รู้จริงๆ แต่วิที่นำมาพูดได้ก็เอามาเจ้าพระเตวิโดเล่มที่สิบเอ็ดหน้าสองรอยี่หน้าสองร้อยหกสิบแปดที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระสารีบุตรเล่าเรื่องคุยกับบรรดาพระสงฆ์ในชาตพระสารีบุตรคุยกันถึ้งว่าเจ็ดสิบข้อผมย่อมาข้อเดียวท่านบอกอารมณ์ขะขีนาศบคือพระหลานทรงอารมณ์อย่างนี้ท่านยืนยัน แต่พวกเรายังไม่ใช่พระรหันก็พยายามทําตามพระหันค่อยๆ ค, คลานขึ้นไปใช้ปัญญาน้อยๆมองที่ร่างกายของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงร่างกายชาวบ้านเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่เที่ยงแล้วแก่ไม่เที่ยงแล้วตายไม่เที่ยงแล้วอ้วนแล้วก็พร้อมๆแล้วก็อ้วนไม่เที่ยงแล้วกามาคุณทั้งหลายค่อยๆระ ง, งับใจมันชอบ แต่มองดูทุกคนชาวบ้านที่เสวยกรรมคุณก็แล้วกันตอนนี้ไอเรื่องวิเวกอารมณ์สงัดความวุ่นวายของจิตทําจิตให้เป็นทุกข์อาศัยเอาจิตหลบจากความวุ่นวายรักษากําลังใจตามปกติถ่า่งมันเชั่งมันด้วยปกติก็ลกแล้วกันแล้วทรงสติตฐานสี่แล้วสํารวมอินทรีย์สั่มรนีวอนสํารวมอินทรีย์ห้า แล้วก็ส่งอารมณ์ในพจนทรงเจ็ดส่งอารมณ์ในมักแปดเท่านี้ค่อยๆทำวิธีละน้อยๆมันก็แพ้บ้างชนะบ้างไปๆมาๆเราพิแรก ก, ก็ก็แพ้มากกว่าชนะนั่นนะเข้าก็เสมอกันถ้าเสมอกันได้ไม่ใช่ล้วก็ช น, นะถ้าชนะถึงที่สุดเมื่ไหร่เราเป็นพระหลานมันนั้นอรัมบันดาเพื่อนพิส์สมนเนรทั้งหลาย สัญญาณบอกเวลาหมดแล้วขอลาก่อนข้อความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี